เดีย๋ยวพี่มาเลยไปใหญ่มีมีหามาทายุ่งไปหมดเลยน่ะตรงนี้อะตรงมณีอะจะเป็นเรื่องกังวลใหญ่ทั้งหน้าตั้งตาฉันนั่จะจริงๆิมเหมือนว่าเป็นมรรคผลนิพพานอยู่ในนั้นส่วนทางโยมกลมทมั้งสมรมธิภัณนาตั้งสติสตังเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อและเพื่อมรรคผลนิพพานในขณะที่กิเลสมันสูญสิ้นไปจากใจพเพราะความเปลี่ยนนั้นมันไม่เป็นท่าหรอกนั่นเนี่ย เนื้อมันขวางอยู่ตลอดเวลานะเราเป็นอาจารย์จำไม่จึงต้องให้ปฏิบัติตามลูกศิษย์ลูกศิษย์มามานี่มาศึกษาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อทำแล้วมาหาครูบาอาจรารย์ ah เพื่ออะไรให้ให้ผมปฏิบัติตามหมู่เพื่อนนั้นเลยการเรียกว่าผมไปมาต้องมาศึกษากับหมู่ก็เพื่อนงนั้นเลยมันดูได้ไหมศึกษาก็ศึกษาถ้าเป็นอาจเป็นธรรมที่ควรจะศึกษาแม้แต่กับสัตว์กับกองขี้ผมก็ศึกษาได้ เอามาพินารณาเป็นอาจาเป็นรรทำทําไมศึกษาไม่ได้แต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยมันมีส่วนได้ส่วนเสียได้นี่อันนี้ปล่อยให้เป็นไปตามแให้ผมศึกษาไปตามเลยจะเป็นอย่างนั้นแหละเสียไปอย่างนั้นเลยนี่โอเออโอเอโอเอมิอยูตะกินยุ่งไปหมดนี่พามาทั้งหลายมาเป็นแบบฉบับเดียวกันแบบเหลวเหลีวไหลไหลนั่นแบบรูเล่รูเลขกันมันแบบมาผลนิพพานที่ไห น, นเคยเตือนมาอยู่เรื่อย ให้ท่านปัญญาผ่านท่านปัญญาการสั่งอะไรๆก็ดีถ้ามันจะเรื่องของเราให้ปรึกษาท่านปัญญาถ้าไม่เรื่องเราก็ไม่ใช่ให้เป็นเรื่องท่านปัญญาไม่ใช่ทำทุ่มสี่่้านะสั่งทุ่มสีม่้าใครอะไรสั่งทุ่มสี่ห้าไมได้นะเหลวเสียกรรมฐานนี่เราไม่ได้นะเ ส, าาดสียดายอะไรยิ่งกว่าพระนะเรารับพระนีิไว้จริงๆนั้นเป็นเครื่องเครื่องประกอบถ้าถ้าดีก็เป็นเครื่องส่งเสริมส่วนมากมันจะไม่ดีนี่นะมันเลยเถิดเลยเถิดเนี่ยมันจะทําให้เสีย จึงต้องได้พูดจึ่ต้องได้แค่มดวดกดขันกันนี่ใครมาคุนกับแม่นรงะคุณกับญาติกับโยมดูมันขวางตานะใครพระพุทธเจ้าท่าสอนได้คุณมาอะไรอนัตนะอานันดากันฟังสงิไม่เห็นไม่ดูเลยนั่นแหละดีอันหนว่างเลยถ้าจาเป็นที่จะเห็นจะดูมีเราพระเจ้าข่า อย่าพูดนั่นฟังดิหากเหตนเป็นที่จะต้องพูดต้องจะมีทำยไงให้ตั้งสติให้ดีให้เป็นประจําเรื่องของอำนาจแห่งปัญหาหมด่ะฟังดิสามบทนี่มันหนักขนาดไหนพุทธเจ้าทรงสอนบารน์นเกี่ยวกับรงมาตุกคำมันเรื่องของเล่นเมื่อไหร่นี่เอามาสอนที่มันเข้าในหัวตับกิเลสมาอยู่ในหัวตับในตับมากไงอันนี้้ตัวตัวนี้ตัวนี้แข็งมากเดี่ยวกิเลส แต่ตัวไหนตัวสาคัญมากกว่าตัวนี้ตัวเนี้ยทาโลกธาตุให้หวานหลายทำจัดพระโลกให้จมตัวนี้เองฆ่าตัวนี้ตายแล้วพระอนาคามิทดึงแม่ต้องมาเกิดถ้าเกิดอะไรไม่มีอะไรที่จะโลดเต้นเพ่นกระโดดยิ่งกว่ากิเลประเภทนี่ตัวนี้นะเขาสั่งนั้นแหมเชื่อมัเหลือเกินนะ อ, นนาอาณาจักรนันดาห์ม่เห็นไม่ดูลอานอนท์เวลาอานนทู น, น ถ, ถามว่าการปฏิบัติให้ต่อมาดูข่าวจะให้ปฏิบัติยังไง ตอนพวกที่เราปฏิญญาผ่านแล้วเวลานั่งก็กปฏิบัติอย่างนั้นแหละถ้าซ้ํำกอบีเพื่อความแน่นำมันคงจะให้ปฏิบัติยังไงกรรมมาถุกขังไม่เห็นไม่ดูเฉยเลยแล้วดีอา น, น, นุ์น่งฟังดิหากจําเป็นเหตุจำเป็นที่จะเห็นจะดูมีแล้วทาไงพระเจ้าข่าวยาพูดนั่งฟังดิหากจําเป็นที่จะพูดเนี่ยพระนองก็ฉลาดเไรื่องเมื่อไหร่เมื่อ้นจะสมบว่าพระพุทสูตเหลือ หากจะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องพูดต้องจาบจะทำไงาพระเจ้าค่ะวางกันให้มีสติน่อยอย่าให้เป็นไปตามหน้าตัณหาลิขสินะลิขเสนอนัน่ น, น, น, น, น ก, ก็คือตำตัณหานะเนี่ยเปล่าแล้วจะเป็นอะไรไปท่านเขียนไว้ในตํา้านั้นตําราก็เป็นภาษาของของคนที่แปล อ, ออกมาจากธรรมะคตร น, นั่นเองหลัใหญ่ก็คือย อ, ย อ, ยอย่าให้เป็ น, ปนไปตานังมันเอํานาจราคาตัณหาให้มา มีใครมาคุณ ไ, ไ, ไม่ดมได้นะยุ่งไม่พูดไม่ได้นะเห็นนั้นไล่ออกทันทีเลยพอได้พูดกันมาแล้วสิ่งวันนี้ยำหยาบไม่ใช่เป็นสองทเศใหญที่จะต้องมาส อ, ส อ, สอสนๆๆๆๆๆนี่นะถือเป็นหลักปฏิบัติอันสาคัญอยู่แล้วในทางพระวินัยของข้าน่ะเออจะเลี้ยวไปเลี้ยวไปเลี้ยวไปลราทุบตีตัวอย่างนะทั้าๆที่ผมกันนั่งอยู่เนี่ยดูอยู่นี่สอนหมู่เพื่อนอยู่เนี่อ่ มันเห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ทำงานครูบาอาจารย์ล่วงไปลงไปแต่โลกโค่เป็นยังไงนี่ผมเคยพูดไปแล้วให้ฟังแล้วเนี่ยเป็นยังไงนี่ตั้งแต่ไม่ล่วงนั่งอยู่นี่ก็ต่อหน้าต่อตามันไม่เห็นนม่มีว่างเลมันดื้อมากิเลศใครสะเห็นว่ากิเลศมันเป็นสูวปโจบอกนอนสวางง่ายทุกสิ่ทุกอย่างมันเคยมีที่ทททไหนคัมภีรไหนมีไหมมีคัมภีไหน เห็นแต่ตัวที่มันดื้อด้านที่สุดคือกิเลสเฉพาะอย่างยิ่งตัวราคะตัณหาเนี่ยด้านที่สุดเลยคนก็เป็นมงินก้าวได้เฉพาะแต่หมาเลยนะงั้นลงได้ครอบหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นมันรู้สูงรู้ต่ําที่ตรงไหนฮีโร่ตะปะมีที่ไหนธรรมชาติอย่านี้ยท่านที่นด้เอาอย่างหนักเข้า่าสอนมาสอนอย่างหนักดัดกันอย่างหนักก็กิเลสตัวนี้เองนะเนี๋ยเราจะเห็นในชา้าในหลักของพระญาบุคคล ขั้นที่สามพระอนาคามีพอสิ้สนราคามฐานแล้วไม่ต้องมาเกิดอีกหรือว่าเกิดอะไรอะไรมาดึงให้เกิดอันนี้ตัวตัวตั ว, ต, วตัวดึงจะเป็นตัวไหนไปสะเทือนโลกระท่ากับตัวนี้เองอยู่ในหัวใจนะนะั่นแหะดูหัวใจผู้ปฏิบัติจะรู้ชัดในหัวใจไม่ปฏิบัติไม่รู้ก็รู้แต่ความจำไม่เฉยท่านก็จําเราก็จำใครๆก็จําจํามาได้แค่ความจำํำมันไม่ได้ความจริงนี่ปฏิบัติแล้มันสะเทือนในหัวใจของกิเลสซึ่งมันอยู่ในฝังในหัวตับเรานี่สิ มันจะเป็นยังไงมันทำให้รู้ได้ไงจิตเดยนมันอยู่ในนั้นธรรมก็อยู่ในนั้นสติปัญญาที่จะค้นคว้าข้าจิ่เด่ยมันก็อยู่ในนั้นทําไมมันจะไม่เจอกันถ้าคนลงไปน่ะนี่อันนี้มันขาดสะบั้นลงไปแล้วอะไรมันจะมาดึงดูดให้ลงมาเกิดอีกดูมันก็รู้อยู่ในหัวใจนั่นมันเบาวิวเหมือนปุยรุ่นพอก้อนหินทั้งก้อนหรือภูเขาทั้งลูกมันซึ่งมีน้ําหนักยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกแคอีกหนักเท่าโลกกระทกเนี่ย มันกดทวงหรือพนานใจพอนี้ขาดสะบัน้นนองปัตนั้นนะ่ะดีดผึงเป็นบุบุ๋ยนุ่นไปเลยเป็นซ้ำรีไปเลยนั่นท่านะท่านไม่ลงมาเกิดเดี๋คือปีวะข้างหน้าเรื่อยเลยเอที่ว่าพระอนพระอนาคามีท่านเลื่อนชั่งขึ้นไปชั่งขึ้นไปจนปกระทั่งอคณิฐานแล้วนิพพานเลยก็เหมือนกับปุ๋ยนุ่นน่ะเดี๋ยว ด, ด, ดีขึ้นดีขึ้นไม่มีอะไรดึงจมลงไปให้มันเห็นเลยกาปรปฏิบัติ ท, ที่ผู้ปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าเล่เล่นเมื่อไหร่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาองค์เล่นเล่นหรือเราจรงิงจะ ป right. ัจจบันมันเห็นในหัวใจเจ้าของเรียว่าจะเรียกว่าสัตดานีมีไหมประจําพุทธศาสนานี่มีสัตดานี่สวัครธรรมนี่มีเจ้าของใหม่มันเห็นอยู่ในหัวใจเราเลยทีาติธรรมมาเป็นเครื่องสําลอกปอกพิเลตเป็นเครื่องสังหารพิเลตหรือเครื่องกันการกรองจิตให้บริสุทธิ์ให้มันเห็นอยู่ในหัวใจเราเลมันบริสุทธิ์ในหัวใจนี้มันก็ยอมรับปริยัติสัตว์เลยอันนี้มันไม่มีอะไรจิมาเป็นเครื่องพิสูจน์มีแต่พิเลตมันเหยียบหัวตลอดเวลามันมี่เสียสุขอะไร นอกจากมันจะไปข้านทำเหยียบทำของพระเจ้าวินายพระเจ้าเท่านั้นจะเป็นอะไรไปเรื่องของกิเลสมันเป็นคุณต่อธรรมที่ไหนมเมื่ อ, อไรนอกจากมันเป็นข้าศึกต่อกันตลอดมาเท่านั้นที่ว่าพระเทวทัตกระเบื้อเจ้าเป็นอะไรกันนั่นก็ระหว่างกิเลสกับธรรมฟังซิมันจะเป็นอะไรตายหนานวนหยาบลงทว น, นวนทําไงเราไปไหนมาไหนแต่แต่ละวิลั ม, มเวลาแต่ ละครละครนี้มิตกวิจาร์กับบงคณะกับก บ, บัตกวานนี่มากน้อยเป็นไรเพราะสิ่งหนึ่งที่กล่าวเหล่านี้เองจะเป็นอะไรไป เ, เริ่มไปตรวจ